เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีแม้เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หเป็นปัจจัยภาษะจึงมีแม้เพราะภาษะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีแม้เพราะเวทนาเป็นปัจจัยภาษะจึงมี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 Blue ความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานัมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี pareil, ทท้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉน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 มโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไฉไหนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีแม้เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไฉไหน เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าแม่เพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยนามจึงมีเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไฉไความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม่เพราะผัสสะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไฉน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 เพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเป็นไฉนทิฏฐิความเห็นผิดลัทธิที่เป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความถือโด ย, vale ยวิปลาสนี้เร <itates> ียกว่าเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีแม่เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเป็นไฉนความกำหนัดความกำหนัดนักความกำหนัดนักแห่งจิตนี้เรียกว่าแม้เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยตันหาจึงมี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 เพราะพบเป็นปัจจัยชาจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชารามรณะจึงมีเป็นไฉนชาราหนึ่งมรณะหนึ่งในชาราและมรณะนั้นชาราเป็นไฉนความแก่ความคล่ำแค่้ความเสื่อมสิ้นอายุแห่งสภาวะธรรมนั้นนั้นนิเรียกว่าชารามรณะเป็นไฉนความสิ้นไปความเสื่อมไปความแตกทำลายความแตกสลาย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 เพราะชาเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจจัยาการเหล่านั้นอวิชาเป็นชไหนความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มเพออวิชาอากุศรมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชาเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นชไหนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่า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 แม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที word, v v ่จงใจนี้เรียกว่าแม่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามจึงมี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 เพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะนามเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยนามจึงมีเป็นไนเวทนาขัน خر, สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันนี้เรียกว่าแม้เพราะผัสสะเป็นปัจจัยนามจึงมี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 อากุศลละมูลคือโมหะนี้เรียกว่าแม้เพราะสังขารเป็นป <the> ัจจัยอวิชชาจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไฉนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณท่าที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีแม้เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจ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 รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุธานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีคําว่าแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขัน นี ered, Anyways, so paper, Here, used, ้เรียกว่านามรูปเป็นไนรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูปแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมี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 เพราะอายตนะที่6เป็นปัจจัยภาษะจึงมีเป็นไนความกระทบกิริยาที่กระทบกิริยาที่ถูกต้องภาวะที่ถูกต้องนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษะจึงมีแม่เพราะภาษะเป็นปัจจัยอายตนะที่หกจึงมีเป็นไนจิตมโนมานัตมโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกันนี้เรียกว่าแม้เพราะภาษาเป็นปัจจัย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 ความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มเืออวิชาอกุศลมูลเือโมหะนี้เรียกว่าอวิชาเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นไฉไนความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจนี้เรียกว่าเพราะอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงม <Lam it. S 2> ีแม้เพราะสังขารเป็นปัจจัยอวิชาจึงมีเป็นไฉไนความไม่รู้ความไม่เห็นลิมเพออวิชา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 คำว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายญาณะจึงมีได้แก่นามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉนเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉนมหาภูต ร, รูปสี่และรูปที่มโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่านามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมีเป็นไฉไนจากขายตนะมนายตนะนี้เรียกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายยตนะจึงมีแม้เพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเป็นไฉไหนามหนึ่งรูปหนึ่งในนามและรูปนั้นนามเป็นไฉไเวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันนี้เรียกว่านามรูปเป็นไฉ ความแรกเกิดแห่งจักรายตนะแห่งกายายตนะหรือรูปแม่อื่นใดมีอยู่ได้แย่รูปที่เกิดแต่จิตที่มีจิตเป็นเหตุที่มีจิตเป็นสมุทฐานนี้เรียกว่ารูปนามและรูปดังที่กล่าวมานี้นี้เรียกว่าเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะอายตนะที่6กเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเป็นไฉนะความกระทบกิริยาที่กระทบ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 ความสาราญทางใจความสุขทางใจความสวยอารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่สาราญเป็นสุขอันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อัญญมัญญะจตุกะจบ กุสลานิเทศอกุศลจิตดวงที่สองถึงสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไนจิต ท, ที่เป็นอกุศลสหรคตรด้วยสมนัตสัมประยุทธ์ด้วยทิฐิเกิดขึ้นและถึงโดยมีเหตุจักจูงสหรคตรด้วยสมณัตวิปยุทธจากทิฐิมีรูปเป็นอารมณ์สหรคตด้วยสมณัตวิปยุทธจากทิฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์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 อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพระาะผัสษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกข์ทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อคติและจิตดวงที่หถึง8ปด สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นฉนัยจิตที่เป็นอกุศลสหรฆด้ว no ยอุเบกขาสัมประยุทธ์เวททิฏฐิโดยมีเหตุชักจูงสหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์สหรฆด้วยอุเบกขาวิปยุทธจากทิฏฐิมีรูปเป็นอารมณ์มีธรรมเป็นอารมณ์หรือปรากฏอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงในสมัยใดในสมัยนั้น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 เพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้บรรดาปัจญาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นชนความไม่รู้ความไม่เห็นริมคืออวิชชาอากุศลมูลคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาและถึงนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยผัสสะจึงมี เพราะั菩ะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไฉนความไม่ํำราญทางใจความทุกข์ทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่จำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่ํำราญเป็นทุกข์อันเกิดแต่เจโตสัมผัสนี้เรียกว่าเพราะั菩ะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปฏิฆะจึงมีเป็นไฉนความอาฆาตความอาฆาตตอบ ความดุร้ายความเกลีก้ยกล่อดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยปฏิฆะจจงมีเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเป็นไนความตัดสินอารมณ์คุริยาที่ตัดสินอารมณ์ภาวะที่จิตตัดสินอารมณ์น้เรียกวา่าเพราะปฏิฆะเป็นปัจจัยอธิโมกจึงมีเพราะอธิโมกเป็นปัจจัยภพเจงมีเป็นไน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 เพราะนามเป็นปัจจัยอายตนะที changed, surgeon, changed, as as changed, so ่หกจึงมีเพราะอายตนะที Chinese, kind of ่หกเป็นปัจจัยภัสสะจึงมีเพราะพัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยวิจิกิจฉาจึงมีเพราะวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกองทุกทั้งมวลนี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ บรรดาปัญยาการเหล่านั้นอวิชชาเป็นไนะความไม่รู้ความไม่เห็นลิ่มคืออวิชชาอากศุศลมวงคือโมหะนี้เรียกว่าอาวิชชาและถึงนี้เรียกว่าเพราะอายตนะที่หกเป็นปัจจัยภาษะจึงมีเพราะภาษะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเป็นไนะความสำราญทางใจก็ไม่ใช่ความไม่สำราญทางใจก็ไม่ใช่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 ความคิดเห็นเหมือนทางสองแพร่งความสงสัยความไม่สามารถถือเอาโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถอย่างลงถือเอาเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตวิจิกิจฉานี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยวิจิกิจฉาจึงมีเพราะวิจิกิจฉาเป็นปัจจัยพบจึงมีเป็นไนเว้นวิจิกิจฉาแล้ว เวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขัน์นี้เรียกว่าเพราะวิจิกิจฉาเป็นปัจจใจพบจึงมีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่ากองทุกทั้งมวล น, นี้มีการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้อกุศลจิตดวงที่สิบสองสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเป็นไฉนจิตที่เป็นอกุศลสหรขอโทษด้วยอุเบขาสำปรยุทธ์ด้วยอุทจจะมีรูปเป็นอารมณ์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 เพราะเวทนาเป็นปัจจัยอุทจจะจึงมีเพราะอุทจจะเป็นปัจจัยอาิโมกจึงมีเพราะอาธิโมกเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีกลองทุกทั้งมวล น, นี้มีอาการเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ในปัจจยยการเหล่านั้นอวิชาเป็นชนะัความไม่รู้ความไม่เห็นลิมคืออวิชา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 นี้เรียกว่าเพราะภัษะเป็นปัจใจเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจใจอุทจจะจึงมีเป็นไนความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบความวุ่นวายใจความพลานแห่งใจนี้เรียกว่าเพราะเวทนาเป็นปัจใจอุทจจะจึงมีเพราะอุทจจะเป็นปัจใจอธิโมกจึงมีเป็นไนความตัดสินอารมณ์ยุรยาที่ตัดสินอารมณ์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 อากุศลานิเทศจบ